สมัยก่อนเวลาเขฉี่กันเนี่ยนะคนไทยอ่ะเวลาเขาเขาเข้าห้องน้ําอย่างเนี้ยนะโอ้ยเขาไม่ต้องมีไปซ่วมไปเซอร์ม่ร้อเพราะเนุ่งผ้าถุงจุงกระเบนแล้วเขาก็ถกไอ้ไอ้นั่นนะไอ้ข้างหลังจุงกระเบนนะออกมาหางกระเบนนะนะออกออกมาแล้วก็แผ่คลุมนั่งเอวเรียบร้อยเป็นส่วมเสร็จไปเลยนะโอ้ไม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะส่วนแขกอินเดียนเนี่ยเขาก็นั่งข้างๆถนนนี่เห็นไหมเดินนั่งเสร็จแล้วแล้วก็ไปหายบอ่อนั่งข้างๆแล้วก็วัด ล้างเลยตรงนั ja. <se <se <se ้นนะเราดูแล้ว yeah, ม <se uh ันเนี่ยนั่งวักวักเอาวักเงาวัดเงาเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยนี่ยแล้วก็มามามามาย่างโรตีเรากินไม่เหมือนนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะผักบุ้งกวางชัดงามเลยแล้วไปกินโอ้โหก็ไปผักกระเฉดผักบุ้งเนี่ยนะกินยำลาโฟกันไั่นเลยตะไหร่นั่นแหละ เหมือนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสังสารวัตมันายาวนานเนี่ยเราต้องเจอไอาาส้สภาพเนี่ยถามว่ามันเกิดมามันดีไหมมันเกิดมามันดีไหมนนะนนเนี่ยนะถ้าใครยาเกิดดีงี้นะมันก็ต้องไปเจอไอาาส้สภาพนั้นอีกอะโลกมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมมันเสื่อมแล้วมันก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมเจริญอย่างนี้ไปเรื ök, ่อยเรื่อยเรื่อเนี่ยที่ เรื่องภาพพรอเหมือนกันทำไมก่อนนี่ก็ไม่ใช่หาง่ายอย่างนี้นะแม่เล่าให้ฟังอะ่ะโอ้ตอนเล็กๆประมาณเก้าขวบสิบขวบเนี่ยเขาชวนไปทํางานไปชวนทํา ง, งานไปไปไปเลี้ยงพลู dles, นะไปเลี้ยงพลู limitation. รู้จักเลี้ยงพลูไหมก็พล <จ sings. S 1> ูามาเลี้ยงเป็นคำๆเลยนะเออก็ไปทํางานก็ดีนะแม่ก็ดีใจไปเอ๊จะไปตอนนี้เนี่ยเอ๊จะต่างชุดไหนดีโอ ح, ขอโทษลืมไปแล้วเดี<ส>๋ยวลืมไปแล้วโอเคโอเค เป็นประเทศคิดเข้าใจว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศเดียวเนี่ยที่ยังคลุกกับอุจระได้อย่างเป็นเรื่องกปกติเลยเนี่ยอย่างซ้ายมือเนี่ยเขาก็คลุกกับอุจจาระเล่นกับมูลโคมูลฟ้าเนี่ยโดยที่เรียกว่าไม่ไม่นี้เลยสมัยอีกเด็กของมาก็เห็นโยมพ่อเขาคลุกอุจระวัวความประจำทำอะไรไม่ลานนวดข้าวอ่ะลานนวดข้าวนี่ละเลงอย่างนั้ะนะ ลานวดข้าวนะลานวดข้าว น, น, นี่ยตอนท้องน้ำเนี่ยไม่ได้ขัดฉาดทาปูนใช่ไหมไม่ได้ทาปูนก็เดี๋ยวก็เช้าใน Iceland เก็บขี้ควายแล้วะหาไปเยอะทาปูนแตก็ออกเจอความใช่แ<ม>ล้วแล้วบางแห่งนะแล้วฉางข้าวนะเขาก็ใช้อใช้ก็เหมือนอินเดียนี่แหละไทยสารบางแห่งอนะเนี่ยพูดถึงแม้กระทั่งท้องน้ําเนี่ยเพิ่งเนี่ยรัฐบาลเพิ่งมาสั่งให้เนี่ยไม่ถึงสิปีนี่เองว่า ทุกหลังคาเรืต้องมีซ่วมเนะี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีก็ใช้ท้องถึงท้องไร้ท้องนาเป็นเรื่องปกติเบ้างนนะัะคุณไพทูรจะถามอะไรไหมอ๋ออ๋ออสาตถญาณมีอยู่ข้อนึงอินทรีย์เปรยปริยัติญาณขอท่านอธิบายหน่อยครับอินทรีย์เปรปริยรรัติญาณ น, นี่หมายถึงญาณที่อย่างรู้ความหย่อนความยิ่งแห่งอินทรีย์ หมายว่าคนนี้เนี่ยมีศรัทธามากไหมเนี่ยนะก็มาดูนะอินทรีย์มีห้าใช่ไหมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาว่าศรัทธาเขามีมากไหมวิริยามีมากไหมสติมีมากไหมสมาธิมีมากไหมปัญญามีมากไหมก็คืออย่างเช่นว่าศรัทธาของเขาเนี่ยเราดูว่าโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยพอจะมีได้ไหมวิริยสัมมาประธานของเขาจะมีได้ไหมสติเช่นสติประธานเต้นๆเขาจะมีได้ไหม สมาธิเนี่ยเขาจะอบรมชาญได้ไหมปัญญาเนี่ยเขาจะเห็นอริยสัจได้ไหมพระพุทธเจ้านี้ทรงทราบความยิ่งความหยนต์อินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างดีว่าอินทรีย์เหล่านี้คนเนี่ยเหมาะเหมาะที่จะได้บรรลุคนนี้ต้องบ่มอินทรีย์เนี่ยนะจึงจะได้บรรลุแต่ตอย่างที่เรียกว่าธรรมะบ่มมิมุติของพระราหุลแก่กล้าแล้วคือพระราหุล น, นี่บ่มอินทรีย์5มา13บปีเฉพาะชาติสุดท้ายก่อนเนี่ยนะท่านบ่มอินทรีย์5้าอยู่สิปี ถ้าท่านบวชตั้งอายุ7ขวบนะนะบวชอายุ7ขวบเนี่ยไปบรรลุตอนอายุ20เป็นพระภรษาเรกนะบรรลุตอนอายุ20นั้นท่านก็บ่มบินรีมานานมากท่าสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุล น, นี่มีเยอะนะดูในราหุลสังยุกราหุลสังยุจูรารหุโลวาท่าสูตรมาหารราหุโลวาท่าสูตรต้นๆเนี่ยนะท่าสูตรที่สอนพระราหุลเนี่ยดูว่าพระราหุลนี่มีเยอะ ทั้งพระสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ผมอินทรีย์เพราะพระองค์นี้เป็นเกิดปัญญาตอนนี้ต้องสอนธรรมะเพื่อให้เกิดสัทธาตอนนี้เป็นสมัยที่จะสอนให้เกิดสติเกิดสมาธิเป็นต้ม น, น, น, นะนะนั้นการสอนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพราะพระองค์อย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ทั้งหลายนะทีนี้ก็มาดูว่า อ, อาสันุสยญาณนี่จะสัมพันธ์กันว่าพราะองค์นี่อย่างรู้อาสาัญญคือหมายถึงว่า กิเลสเป็นที่มานอนเนื่องในสันดานกับกุศลที่เป็นพื้นเพย์ของเขาอ่ะนะพื้นเพย์คนนี้เนี่ยห น, ห, ออ ห, นหนักไปทางกุศลหรืออากุศลถ้าเช่นหนักไปทางตามหรือหนักไปทางเนคขมมะหนักไปทางพยาบาทหรือเมตตาหนักไปทางทีนาหรืออาโลตสัญญาเนะหนักไปทางมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้ทงใช้อาศยานุสยญาณแล้วก็ตรวจดูด อ, อินทรีย์อีกครั้งหนึ่ง ความสามารถพิเศษอันนี้ทั้งยานทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าพุทธจักสุเป็นตาของพระพุทธเจ้าที่จะมองเห็นคือวินิจฉัยได้เลยว่าบรรลุได้หรือไม่นะถ้าบรรลุได้ต้องเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วบรรลุได้ด้วยธรรมเทศนาประเภทใดเนี่ยนะต้องใจอย่างรู้ถึงธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นอาสยานุสยาญานเป็นอินท ร, ริยะโรปรยัตยานแล้วก็มีชื่อเรียกตรงๆว่า อ่าพุทธจักสุกเนี่ยนะพุทธจักรสุขที่พระองค์มีพุทธจักสุกก็เพราะอาศัยสิ่งที่ช่วยอยีกอย่างหนึ่งคือสมันตาจักสุขกดูนกักดูนักขช่มั้ยนากเป็นชื่อของช้างทพระองค์นี้มีอ่าสาธารณยาเนี่ยเพื่อสงเคราะห์สัตว์อย่างที่บอกว่าอย่างที่พระเวลาพระองค์บริจาคทานเนี่ยนะอย่างเช่นบริจาคดวงตาให้เป็นทานเนี่ยในศรีวิราชาดกบอกว่า ดวงตาเนี่ยไม่ได้เป็นที่รังเกียจไม่ได้เป็นที่ชิงชังสําหรับเราเห็นะคือตาก็รักตาเหมือนคนอื่นเขารักตาแต่ว่าเรารักสัพพันยุตยานมากกว่าตาเรารักสัพพันยุตยานมากเป็นแสนเท่าที่เรารักยิ่งกว่าใครเคยจ่ายตลาดไหมช้อปปิ้งเนี่อรังเกียจมากไหมสตังค์อ่ะถ้าทําไมถึจ่ายกันหมดทีเยอยๆเพราะเรารักกันอย่างอื่น ม, มากกว่าสตังค์จึงยอมเสียสตางค์เพื่อที่จะจ่าย ของอย่างอื่นฉันใดพระพุทธเจ้าเวลาบำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้นพระองค์ไม่ได้รังเกียจในวัตถุที่พระองค์บริจาคไปเลยนะเพราะวัตถุที่พระองค์บริจาคเนี่ยเป็นที่รักแห่งใจของพระองค์เช่นบริจาคบุตรเนี่ยบุตรก็เป็นที่รักแห่งใจของพระองค์พระองค์ก็ให้ทานไปพระองค์บริจาคภรยาบริจาคเมหีสีเมหสีก็เป็นที่รักแห่งใจของพระองค์แต่พระองค์ก็บริจาคไปเพื่ออาสาธารณญาณหกเนี่ยนะ เพื่ออาสาธรรยาน6เพื่อสัพพัญญุตยานเพื่ออานารวารณยานเพื่ออินริยะปโปรปริยติยานเพื่ออาสยานุสยายานเพื่อมหากรุณาสมาบัติยานนั้นพระองค์บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยเพื่อช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์เพราะว่าพระองค์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้จึงทำกิขกจกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอะนะกิจใดที่พระาศาสดาควรจัดกระทำ กิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทําอย่างโดยที่ไม่มีใครตําหนิดได้บัณฑิตทั้งหลายตําหนิพระองค์ไม่ได้ว่าพราะองค์ทากิจไม่ดีเนี่ยนะตำหนิไม่ได้มีแต่แซ่สองสรรเสริญโดยส่วนเดียวว่าสุขโตสุขโตผู้ไปดีแล้วผู้ทําดีแล้วเนี่ยนะผู้มีกายวาจาใจที่ดีแล้วเป็นผู้ที่ไปเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์จริงๆนะจึงเป็นผู้ที่บุคคลทั้งหลายที่มีบุญมีสติมีปัญญานี้จึงซ่องเอ่อจึงชมเชยยกย่อง แล้วก็บูชาถ้ามองในแง่บุคคลเนี่ยนะไม่มีผู้ใดมีในโลกนี้เลยนะครับไม่มีใครมีทรัพย์สินเท่าพระพุทธเจ้าเลยนะไม่มีอย่างพื้นใครมีรูปปั้นเท่าพระพุทธเจ้าบ้างไหมในโลกนะี้ไม่มีแล้วใช้ทองใช้หยกด้วยนะมาทําเนี่ยไม่ได้ใช้ปูนใช้ทองใช้หยกใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะแล้วก็ใช้อะไรอย่างอื่นอีกวิหารโบสถ์แต่ละหลังเจดีเนี่ยนะ เจดีของพระพุทธเจ้าถ้ารวมๆกันแล้วกี่หมื่นล้านรวมกันทั้งหมดเลยนะที่ทําเป็นพุทธบูชาเนี่ยแล้วพื้นที่ที่เป็นสถานที่พุทธบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นวัดเป็นอะไรเป็นต้นนี่หาประมาณไม่ได้แผ่นดินทั้งโลกเกือบจะเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดดังนั้นในด้านทรัพย์แล้วถามว่ามีใครกราบพระพุทธมีใครถูกกราบเท่ากับพระพุทธเจ้าบ้างนี่มีใครที่จะมีเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการเครื่องอะไรอย่างเช่นอย่างว่า อย่างเมื่อคืนเนี่ยนะที่เขาถวายทองเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยก็คือขนาดว่าทองไม่ได้รังเกียจเลยนะยินดีที่จะใช้แต่ก็ยังน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะบูชาเนี่ยนะท่านพระองนี่เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์บริบูรณ์ด้วยอริยคุณแต่คุณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าพระองค์ทำทั้งหมดเพื่อให้เข้าสักการะพระองค์ใช่ไหมไม่ใช่ แต่จําเป็นไหมที่จะต้องสักการะพระองค์จําเป็นเพราะว่าผู้ที่บูชาสักการะแด่ดพระพุทธเจ้าไม่พ้นทุกข์ไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่เครื่องบูชาควรแก่เครื่องสักการะควรแก่บรรณาการอย่าว่าแต่ข้าวของภายนอกเลยแม้แต่ชีวิตเราก็ยังกล่าวเป็นสักการะบูชาพระองค์เนี่ยนะแต่พระองค์ไม่สรรเสริญการทําปณติบาตใช่ไหมจึงไม่ต้องฆ่าตัวเองเพื่อเป็น พุทธบูชาแต่อาศัยกายวาจาใจาที่มีอยู่มาเจริญกุศลให้มากๆเพื่อบูชาพระองค์เนี่ยนะแต่พระองค์นี้ที่ที่พระองค์ควรแก่เครื่องบูชาขนาดนี้เพราะว่าพระองค์ช่วยผู้ที่บูชาพระองค์ได้จริงอะ่ะช่วยได้จริงอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยไม่ได้คือเขาช่วยพระองค์ช่วยหมู่สัตว์ได้จริงๆแต่ทีนี้ไอาการที่จะช่วยใครได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทันทีแบบที่ใจคนขอขอได้ใช่ไหม เพราะการจะช่วยเหลือใครมันต้องมีองค์ประกอบมีมีเหตุมีปจัจจัยมีอะไรประกอบตั้งเยอะแยะถ้าหากว่าช่วยกันได้ง่ายช่วยกันได้ทันทีนะถ้ามันเสกกันได้แล้วเป่าแบบเป่าลมได้เนี่ยนะเพราะอง์อู้ช่วยเราหมดแล้วแต่ว่าไม่ง่ายอย่างที่เราคิดอย่างสมมุตินะหลายคนเนี่ยมีลูกมีหลานถามว่าลูกหลานเนี่อรักมากไหมรักมากมรดกทำทุกอย่างก็เพื่อให้ลูกให้หลานใช่ไหมอริยศาสตร์นี่ดีไหมดีเอาทำไมไม่ไปสอนอริยศาสตร์ให้ลูกหลานฟังล่ะพูดง่ายไหม อ่านะไม่เชื่อถามคุณรุไรดูสิ น, นะรักลูกรักไหมรักทําไมไม่สอนอริยศาสตร์ลูกล่ะอันนี้จะรู้ว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นของง่ายเลยอ่ะแล้วก็พันการพูดอริยศสตร์เป็นต้นนี้ไม่ใช่เป็นของธรรมดาง่ายๆแต่ว่าผู้ที่มีใจน้อมบูชาพระองค์ก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ของพระองค์เพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรามีความเห็นด้วย ด้วยอำนาจสัทธินีที่มีต่อพระองค์เนี่ยในที่สุดก็ทําให้เราสามารถที่จะรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่เครื่องสการะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอาสาธารณยานทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะแสดงพระไตรปิฎกพูดแบบส ร, สรุปเลยนะเพื่อแสดงพระไตรปิฎกเอาไว้ให้เราอ่านเพทันเป็นจดหมายที่เขียนยากมากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามานั่งแล้วก็เขียนไปเรื่อยไม่ใช่นะ ต้องเลือกที่เขียนด้วยบางสูตรนะพงศ์ต้องขึ้นแสดงบนเหวที่เขาคี้จิกูดเนี่ยเจ้บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นเขาคี้จิกูดไปมันมีเหวอยู่ที่แห่งที่ทิ้งโจนที่ทิ้งอะไรเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วพองศ์พระพิโสก็ดูเห็นเหวบอกโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆหน้าหวาดเสียวถ้าใครตกตายเนี่ยพิโสก็ถามว่ามีเหวอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้ไหมกล่าวโดยสรุปก็บอกมีความไม่รู้อริยสัตว์มันน่ากลัวยิ่งกว่าเหวอันนี้เห็นไหมผู้ไม่เห็นอริยสัตว์นี่ยน่ากลัวกว่านั้นอีก เพราะเขาจะตกไปในเหวคือชาติชรามรณะตกไปในเหวคือโสกกาปริเทวทุกทโทมานัตและอุปาญายตกไปในเหวคือวัตทุเพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนั่นการไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนั้นจึงชื่อว่าเหวยิ่งกว่าเหวที่น่ากลัวทั้งหลายเนยนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่ากว่าสิ่งที่น่ากลัวทุกชนิดเนี่ยนะอย่างมืดเนี่ยนะความมืดพูดถึงความมืดในโลกันตนารกเนี่ย พงษ์ก็บอกว่าอาการไม่รู้อริยสัตว์เนี่ยมันหนา้ามืดยิ่งกว่านั้นอีกมืดยิ่งกว่าโลกันตรนรกอีกเนี่ยนะเพราะว่าถ้าอยู่ในโลกันตรนรกนะก็ยังพ้นมาหาแสงสว่างได้ใช่ไหมแต่ว่ามูสัตว์ผู้เห็นผู้ไม่เห็นอริยสัต์เนี่ยนะพงษ์กล่าว่าแผ่นดินมันจะละลายมันจะแห้งหน้ํามันจะแห้งหายไปแผ่นดินจะแหลกเป็นจุนวิจุนแต่โมหะก็ยังตามเดิมนะมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นตัณหาก็ยังตามเดิมไม่ได้บกพร่องเลย พระองค์จึงบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อให้ได้อาสาธารณญาณเพื่อจะหาวิธีการช่วยหมูสัตว์โดยประการทั้งปวงมีวิธีไหนมั่งที่จะช่วยหมู่สัตว์ได้อย่างพระเจ้าอาชาติพระอานนท์อาราธนาพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ทำไมพระองค์ไม่ปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองราชครึกเป็นต้นเนี่ยนะเมืองสาวัตถีเป็นต้นที่มีคนอุปถักภมีคนบูชานับถือเยะๆไปหมดเลย ทำไมมาประทับปรินิพานในกิ่งกิ่งเมืองกิ่งเมืองเล็กเมืองน้อยนะสาขาก็คือกิ่งนะมันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยจริงๆพระองค์ก็สดะอาศัยเหตุผลหลายประการที่ต้องเดินทางโรนแรมเนี่ยพระองค์ป่วยตั้งแต่เมืองไทยาลีมาแล้วใช่ไหมค่อยๆกระสอบกระแสะมาเรื่อยพระองค์ก็ยังจะหาฤิกมาแล้วมีฤทธิ์ก็ไม่ยอมใช้ฤทธิ์ด้วยทําไมทําอย่างนั้นนี่คือพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลาย พระ อ, องค์ไม่ได้คิดเพื่อความสบายใส่ตัวเลยเนยนะสแสวงหาแต่ความสุขให้แกหมูสัตว์ทำไงจะช่วยเขาได้ตามปณิธานดั้งเดิมใช่ไหมท่านพระ อ, องค์นี้จึงเป็นที่พูดเชื่ อ, อเที่ยวช่วยสัตว์อื่นโดยที่ไม่รู้จักเหน็ด จ, จักเหนื่อยในการสงเคราะห์บุคคลอื่นให้รู้ทำตามพระองค์เนี่ยนะพยายามที่จะเที่ยวสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์มวนเวนัสัตว์ทั้งหลายใครจะรู้หนอว่าแถวแถวนี้พระ อ, องค์ก็เคยประทับนั่งประกาศอริยสัตว์มาแล้ว นะเพราะว่าถ้าเป็นในจารึกทั่วๆไปก็จะเอาแต่บ้านใหญ่ๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในพระสูตรจะใช้คําว่าแคว้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จารึกไปในแคว้นโกศลอย่างนะ ก, ก็ก็ตามหมู่บ้านต่างๆถ้าไม่ใช่บ้านชื่อดังจริงๆเขาจะไม่บันทึกเอาไว้นะก็ตามเนี่ยตามสถานที่ต่างๆพระองค์ก็ประทับนั่งประกาศอริยสัจแล้วหมู่พระภิกษุทั้งหลายสมัยพุทธกาลท่านก็หาที่หลีกเล่น หาที่หลีกเล่นก็นหาที่เงียบที่สงบที่สงัดหาสถานที่ต่างๆอย่างที่เราเห็นเห็นนี่แหละเพื่อที่จะได้หลีกเล่นแต่ว่าที่เหล่านี้ในอดีตคงสัปายะกว่านี้คงไม่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะทีนี้ถ้าเราคิดลองคิดดูนะว่านี่ถ้าเราทั้งหลายมีบุญไม่เป็นนักบวชเราจะไปอยู่เจริญกรรมฐานอะไรเนี่ยเอาให้โคนมะม่วงอยู่โคนหนึ่งเลยนะให้ผู้การกันแล้วกันถ้าไปอยู่โคนมะม่วงให้เวลาวันหนึ่งเลยจะใช้เวลาวันหนึ่งให้ผ่านไปยังไงอยู่ที่โคนต้นมะม่วง ยังนึกไม่ออกเลยเขาว่าเอ๊จะไปนั่งตรงนั้นแล้วนี่นะฮะแล้วจะจะจะจะจ ะ, จะไปตึกอะไรนะเอาเอาเป็นว่าในเชียงใหม่ดีกว่าครับอยู่ที่ยิงนึกไม่ออกอ่ะครับที่เชียงใหม่นะที่หน้าบ้านผมอะ่ะที่หน้าบ้านผมเขาก็มีมีมีสวนอยู่สวนใหญ่มากเลยเขาเตรียมจะจัดสรร่ะ แล้วเจอยุค IMF ก็เลยเลยปล่อยล้างนะแต่ก็มีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นเป็นกลุ่มๆกนะ็ก็ไม่มีบ้านคนเลยใหญ่มากนะตั้งห้าหกสิบไร่ตอนที่ผมเรียนกับอาจารย์ใหม่ๆคนระับอาจารย์บอกเออตรึกซี่ตรึกอ่ะบอกอตอนเดินบระรทักไอเดินตอนเดินจงกรมอะตรึก <c oughs> ผมก็ถือออกกำลังไปด้วยก็ถือโอกาสตรึกไปด้วยนะตึกธรรมะไปด้วยที่เรียนมาหรือแล้วก็ตอนเย็นๆใช่ไมฮะ ผมก็เอ๊ะมันค่ำแล้วผมลองวะ เ, เราลองนั่งโคนต้นไม้ดูสักทีดีมันเป็นยังไงเป็นยังไงฮะตอนนั้นก็มืดพอดีเลยผมก็ไปแหวกแวกโคนต้นมะม่วงต้นก็ไปนั่งไปนั่งดูนะไปนั่งเออเนี่ยนะบรรยากาศอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระท่านนั่งโคนต้นไม้อนะ่ะเราลองไปลองนั่งดูนะฮะจึงทําให้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ย มันมีความสงบมันมีความส ง, งับนะเสียงก็ไม่มีนะแต่ว่าเออมันก็ไม่ใช่ง่ายนั่งนะมัมัยุงก็มีแล้วก็มดก็มีนะแล้วก็มันเงียบ ม, มากเลยนะมันก็ทําให้รู้สึกต้องต้องข่มใจมากทีเดียวว่ามันกลัวมันมันกลัวภัยอะ่ะนะมันมืดตื่เลยนะแล้วนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะ กลับมาผมก็มาเล่าให้แม่บ้านผมฟังค่าแม่บ้านผมดูใหญ่เลยบอกอะไรทำอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากว่าไม่มีไม่มีเครื่องอยู่งั้นเถอะนะถ้าผู้ใดยังไม่มีเครื่องอยู่อ่ะอย่าหวังเลยที่จะอยู่อย่างนั้นได้นะฮ เ, เครื่องอยู่ของของผู้ของบรรพชิตหรือของผู้ปฏิบททัติธรรมเนี่ยน ะ, ะเอ่อเอ่อจะเป็นจะเป็นเครื่องที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ใน ในภาวะในจริงไม่้อมอย่างนั้นได้นะเพราะว่าก็จะทําให้มันไม่ไม่กลัวนะหรือว่าหรือว่าทําให้เราจิตละมุ่งไปอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยนะแต่พระอาจารย์ก็คงเคยไปนั่งมาแล้วเนะ่ยเพราะว่าแล้วท่านเคยกลัวไหมครับโดยเฉพาะกลัวผีเนี่ยนะโอ้กลัวเหมือนกันนะครับกลัวผีนะครับกลัวเหมือนกันนะ แล้วถ้าเกิดว่าที่ตรงนั้นเท่านั้นมีป่าช้าด้วยนี่ผมว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ง่ายนักเลยไหนะท่านเคยนั่งไหมครับเคยไปอยู่ป่าช้านี่หือแล้วตื่นมาดึกๆเนี่ยนะบอกว่าความกลัวนี่มันไปรวมอยู่ที่นั่นหมดะนะนี่ยจริงมก็กลัวตายนะกลัวผีหลอกนะแต่ไอ้ผีหลอกก็กลัวตายว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราดูบอกว่าฐานที่สถานที่ที่มันน่ากลัวมากแล้วต้องไปเจริญมรณาลุสเตดด้วยสิเอา ไปอยู่เจริญมรณานุสสติเนี่ยจะไปอยู่ทํำยังไงอ่ะเราเราคิดดูนะว่าเราจะทําใจได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาคําสอนให้มันชัดชัดเจนแล้วไปศึกษาเรื่องความตายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยตรงนี้นะที่สัตว์ตายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วนะนึกไปนึกมานึกถึงผีอะไรกันนี่เรื่องยาวอนะไกันนี้ไม่ต้องแล้วอริยสัตว์เนี่ยนะเหลือแต่โทสัตอย่างเดียวทุกขสัตว์ปรากฏล้นๆเนี่ยนะเป็นทุกขสัตว์ที่ไม่ได้รับการทําปริน ญ, ญาเนะ เป็นลูกกษัตร์ที่ครอบงำจิตอย่างรุนแรงมากเลยงั้นถ้าการศึกษาพระธรรมนี้ยังไงยังไงก็พยายามศึกษาให้มันเข้าใจดีๆก่อนก็มีกลุ่มศึกษาใหมๆ่ๆแหมอยากจะบวดเอาจริงเอาจังมากเลยเนี่ยมาอยากจะบอกมาเนี่ยมาเนี่ยจะมานั่งดูได้จับให้นั่งเลยนะดูจะมาทํำยังไงแหมทําเป็นอยากจะทิ้งครอบทิ้งครัวทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งโน่นทิ้งนี่ทิ้งจะหมดเลยทันทีเลยเนะจะมาอยู่ยังไงเอาดูดิ สามวันแค่นั้นแหละเด้อบ้านนี้จะเหมือนที่มานทันทีเลยนะสวรรค์ น, นี่อยู่ที่บ้านเราแล้วลูกแต่ละคนมันน่ารักหมดเลยไอ้ที่เคยไม่ดีเนี่ยนะดีหมดเห็อะไรที่มันวุ่นวายขัดข้องในบ้านนะมันจะโสภาสถาพรไปหมดเลยสวรรค์ดีๆนี่แหละอ่างั้นเหรอนะี่ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ยัเงเงียบบรรดาทัวกนนันนั้นเองแต่ว่าเชื่อไหมพระพิสุสมัยก่อนเนี่ยท่านทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งวงังเป็นพระราชาหมหากษัตริย์ มานั่งอยู่โคนไม้แล้วบอกสุก น, น, น้อสุกน้องเด็ยนะซึ่งสุกน้องสุกน้องอยากให้ตาสันติมาเล่าให้ฟังว่าท่านได้สุกเหล่านั้นได้อย่างไงเนี่ยนะสายหัวเลยไม่รู้ยกมือว่านะว่าท่านสุกน้อกันได้อย่างไงเนี่ยป่าภัยเนี่ยหลังเนะี่ยไปอยู่ป่ายอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างนั่งคูตตลงังตั้งกายตรงแลบอกสุกจริงๆสุกจริงๆสุกอะไรของท่านเนาะเนี่ยนะ ใค่จะอธิบายว่า um. ท่านได้สุขอะไรบ้างนะคือท่านเหล่านั้นเนี่ยเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ท่านก็มีความผาสุขท่านเหล่านั้นเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อยู่ท่านก็ผาสุขท่านเหล่านั้นเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่ท่านก็ผาสุขท่านเหล่านั้นเจริญปีติปัสสัทธิสมาธิภูเบขาสัมโพชฌงค์อยู่ท่านหวังความตรัสรู้เนี่ยนะท่านอะไรเรียกว่า บางท่านตรัสรู้แล้วบางท่านเกือบตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านจะมีความผาสุกสักปานใดใเห็นไหมท่านจะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพราะท่านจิตมีจิตเนี่ยน้อมไปมุ่งไปในกรรมฐานทั้งหลายมีจิตมุ่งไปในอริยสัจ ท, ทั้งหลายมีจิตพิจารณาอริยสัจปีติโสมนัตที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจถ้าเป็นพระเสขถ้าเป็นพระเสขคือท่านตรัสรู้แล้วเห็นไหมท่านก็เลยมานั่งโคนไม้เนี่ย ตั้งกระชันเสร็จไปจนถึงเย็นเย็นแล้วค่อยกลับเข้าไปในวัดเห็นไหมมานั่งอยู่โคนไม้เนี่ยสเสวรสุกโดยส่วนเดียวไม่มีอามิตรเจือปนเลยไม่มีโทสะกำเริบเลยนิวรณไม่กลุ่มรุมเลยนะ่ะท่านอยู่ยังไงโดยที่นิวรนไม่กลุ่มรุมหลืบตาลงไปดูท้องทุ่งเนี่ยลมเย็นชอยชอยด้วยอ่ะไม่หลับมะไม่นอนไม่ง่วงผาสุกมั่งพอมาแรกๆเลยนะที่ดูโคนไม้ชอบมากจะหาที่นอนไม่ใช่อะไรที่อื่นคนมันกวนมาก นั่นก็เลยเลือกไปหาโคนไม้ในป่าในอะไรจะได้แอบนอนสบายๆหน่อยมีใครกวนแต่หน้าคิดมากว่าท่านไปอยู่เจริญกรรมฐ า, านอะไรเคยถามโยมคนหนึ่งบอกย้อมเนี่ยถ้าให้โยมไปอยู่เถวนั้นทั้งวันเนี่ยจะไปทําอะไรเขาบอกจะกําหนดลมหายใจเขาว่างั้นเดี๋ยวถึงสิบนาทีหรือเปล่าเก่งยังมากชั่วโมงหนึ่งอยู่กับลมชั่วโมงหนึ่งที่เหลือฟุ้งซ่านหมดถ้ายิ่งธรรมะเนี่ยนะธรรมะนี่เวลาเอามาตรึกน้อมจะใช้จริงๆไม่ง่ายเลยนะ ใครที่เรียกว่าว่าโอย เ, เรียนมาดีอ่านมาเยอะพไตปิดกอกอ่านมาเท่านั้นสูตรเท่านี้สูตรเอามาใช้จริงๆอะ่ะอันนี้ยิ่งปิดตำราด้วยอะไรแล้วยิ่งถึงเปิดอ่านก็ไม่ใช่อ่านเข้าใจง่ายๆนะเพราะบรรยากาศไม่ไม่ไมแล้วอันเนี้ยที่เรายอมรับถึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทําได้เป็นผู้ที่เจริญได้ทีนี้ถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนยากไร้ามาก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่ เป็นมหากษัตริย์ออกบวชอ่ะเห็นไหมเป็นอุปราชออกบวชเตรียมจะเป็นมหากษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยนะเพิ่งละเมียที่แต่งงานไม่กี่วันออกมาบวชแล้วมาเจริญยังมีความสุขอยู่ในป่าเนี่ยไม่ง่ายเลยนะบางคนเนี่ยละลูกแดงๆมาออกบวชมีความสุขยิ้มแต้อยู่เงนั้นนะไม่อารยอาวรเลยเนี่ยท่านทํากันได้ยังไง น, นั่นคือความปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นแสดงว่าสิ่งที่ท่านเห็นมันคงเป็นมหาสาระอย่างจริงๆ คงเป็นสิ่งที่เลิศคงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ค, คงเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเหล่านั้นนะั่นแหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยนะพี่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่นําออกจากทุกได้อย่างแท้จริงท่านเราเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ไปทุกหนทุกแห่งเห็นคุณพระรัตนตรัยได้อ น, นัตสทินรีย์ของเราก็จะเริ่มมีกําลังขึ้นท่านผู้ที่มุ่งการปฏิบตัติโดยที่ไม่ไม่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะยิ่งปฏิบัติเชื่อเหยียิ่งผิด ถ้าหากว่ามองทุกผนทุกแห่งไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณของพระธรรมไม่เห็นคุณของพระสาวกทั้งหลายไม่เห็นคุณของผู้รู้อริยสัจทั้งหลายและลึกถึงพระธรรมคําสอนทั้งหลายไม่ได้ถึงรีบก็ไม่ได้ไปไหนหรอกยิ่งรีบยิ่งช้าและยิ่งรีบยิ่งช้าเหมือนคนไม่รู้ทางอยู่ในกรุงเท พ, พแล้วรีบไปแล้วนะแล้วรีบไปมีธุระด่วนมากจะต้องไปในทันทีนะขับรถออกบ้านเลยเนี่ยนะถึงที่ไหนเนาะ การพิจารณาธรรมะเนี่ยโดยเฉพา ะ, ะการศึกษาอาริยสัจเป็นต้นเนี่ยพยายามทำความเข้าใจให้ดีๆแล้วก็ฝึกซ้อมอฝึกตรึกฝึกใส่ใจให้บ่อยๆให้ชำนาญก่อนในชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่แหละเรียกว่าถ้าอินทรีย์มันสุกเต็มที่เกือบบรรลุแล้วค่อยทิ้งค่อยทิ้งขา น, นค่อยน้อมไปเพื่อจะทิ้งขานนี่อย่างเราทั้งหลายเนี่ยถ้า ถ้าเรามาอยู่อินเดียในยุคนี้เลยนะให้มาเนี่ยมาเงียบๆอยู่อินเดียสักเดือนหนึ่งเลยเนี่ยจะมาอยู่ทำยังไงเนาเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีบ้านมีเรือนแต่มีอาหารให้กินอ่ะมีอาหารให้กินอย่างเดียวที่หลับที่นอนก็ไปหาเอาคนเดียวอนะไรไปหาเอาเองว่างั้นเถอะนะไปหาเอาเองก็แล้วกันแต่มีอาหารให้อิ่มทุกวันละ ว, วันละสองอิ่มก็ได้อ่ะเช้าเที่ยงเนี่ยนะแล้วอยู่ไป จะได้อะไรเนอเนีย่ยนะกันน่าคิดเหมือนกันนะให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้สักสิบปีเนี่ยคิดหรือไม่คิดไหมาว่าเป็นไปได้ต้องเห็นอริยสัจแน่นอนเก<ม>ือบรรลุแน่นอนเนี่ย่างงั้นไม่ยอมอ้วนไม่แน่ใจนะ <c oughs> สุกทยจะต้องเอาพระไตรปิฎกมาด้วยนะมานั่งอ่าน <c oughs> แล้วอ่านพระไตรปิฎกนี่อ่านตาอ่านมานะของมารู้จักพ่าพิสูจเยอะนะแรกๆทํำท่าจะอ่านดีอ่ะ <c oughs> สองเดือนผ่านไปเนี่ยเริ่มแล้วไม่ค่อยพลิกอ่าน คนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะใหม่ๆนี่มันมันโสมนัสนะอ่านถ้าอ่านไปนานๆเข้านานๆเข้าไอ้านานานอตัวเองไม่ได้มีอัธยาศัยวิวัตะอย่างแท้จริงเนี่ยพอยิ่งอ่านแล้วมันเริ่มรู้สึกเบื่อและมันมันไม่มีความสนุกอย่างแท้จริงนะถามว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ความเข้าใจอัธยาศัยการบ่มอินทรีย์การเจริญกุศลอื่นๆที่เป็นบริวารแวดล้อมไม่พอนั้นกุศลที่เป็นบริวารแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากเนี่ยนะถ้าไม่รู้จัก การเจริญกุศลธรรมอื่นๆด้วยเนี่ยนะเช่นเจริญให้เกิดสติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงโดยเฉพาะปีติสัมโพชงเนี่ยถ้าสแสวงหาปีติหาสุขโส ม, มานักจากเนคขมมะไม่ได้ยังไงยังไงมันต้องกลับไปหาสุขที่เกิดจากกรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดความสุขจริงๆเลยนะมันจะต้องมีสุขอันหนึ่งมาชดเชยก่อนมันจึงจะละสุขอีกอันหนึ่งได้ต้องได้สุขที่เกิดจากเนคขมมะมาชดเชยจึงจะละความสุขที่เกิดจากกามได้ พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สุขที่เกิดจากกา ร, รมอย่างเต็มที่ใช่ไหมสิ่งที่พระองค์ได้สุขที่เกิดจากเนื้อขมมะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพระองค์จะต้องกลับไปนะนะถ้าไม่ดีจริงนะนะพระองค์ก็ต้องกลับไปจะต้องกลับมาบริโภควัตถุกามหรืออาจจะต้องไปครองบ้านครองเมืองเมืองใดเมืองหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาก็อยากยกเมืองให้อยู่แล้วใช่ไหมพร้อมที่จะไปเป็นพระราชามหากรั์ที่ไหนก็ได้แต่ก็ไม่เอานะนะไม่เอาจิตของพระองค์เนี่ยไม่น้อมไปอย่างนั้นเพราะพระองค์ได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิ ไหนเนีจะทำผมทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าคิดดูว่าระหว่างเอประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเขาคิดว่าพระราชาทั้งหลายเป็นผู้มีสุขอย่างแท้จริงพระราชาเนี่ยปิดปราสาทเลยนะสวยสุขล้วนๆอยู่เจ็ดวันได้ไหมปิดวังเลยนะนั่งยิ้มอย่างมีความสุขเลยเจ็ดวันทำไมให้ผู้การก็ได้ไปเช่าโรงแรมชั้นหนึ่งเลยอะ่ะบริบูรณ์พูนสุขมาเลยนะอยู่สวยสุขล้วนๆเจ็ ว, วันเนี่ยทําได้ไหมเครียดตาย นี่ก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยอยู่โคนไม้เนี่ยนั่งสวยสุขลุลุ้นเจ็ดวันได้อะไม่มีอกักขุสลแทรกเลยไม่มีอะไรเจือเลยเนี่ยตรงนี้ที่เราจะต้องมามาทําความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรหนอสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจให้ดีๆเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเชื่อไหมถ้าเรามาอยู่ในที่หลีกเล้นะพระสูตรที่เราว่าเราจําได้เยอะนะั่นจะเป็นของน้อยทันทีเลยไม่ค่อยพอใช้เนาะ